ท่านจำแนกรูปแล้วก็มาจำแนกถึงเวทนาเวทนานั้นหมายถึงการเสวย อ, อารมณ์และท่านยังจำแนกออกไปโดยละเอียดอีกว่าเวทนาเนี่ยบางแห่งก็แสดงไว้โดยในยะที่รวบรัดเพื่อเหมาะสมกับอินทรีย์ของสัตว์คือแสดงไว้หนึ่งถ า, ถามว่าเวทนาหนึ่งหรือถ้ามีใครถามว่าเวทนานะมีเท่าไหร่เราตอบได้ว่าเวทนามีหนึ่งก็ถูก ตอบว่าเวทนามีสามก็ถูกตอบว่าเวทนามีห้าก็ถูกไม่ผิดอะเวทนาหนึ่งนั่นคืออะไรคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์เนี่ยที่เราเสวยอารมณ์อยู่เป็นประจาเนี่ยคือเวทนาอย่างท่านทั้งหลายเห็นรูปได้ยินเสียงท่านรู้กลิ่นว่านี่เป็นกลิ่นนี่เป็นรสนี่เป็นสัมผัสนั่นน่ะเวทนาทำหน้าที่เสวยแล้ว สะเวยตรงไหนตรงที่เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆหรือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆหรือเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสนั่นแหะคือเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าเวทนาหนึ่งคือการสะเวยอารมณ์กล่าวโดยย่อคือการสะเวยอารมณ์เวทนาต้องมีหนึ่ง้าเวทนาสามต้มี ทุกเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาหรืออุสุลเวทนาอกุสลเวทนาอพยากริตเวทนาคือเวทนาที่เกิดในกุศุลจิตก็มีเกิดในอกุสุลจิตก็มีเกิดในอัพยากตาจิตก็มีนี่เป็นเวทนาสามาเวทนาห้าก็มีสุขเวทนาโสมนัสเวทนาทุกเวทนา โสมนัสสมนัเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยเวทนาก็มีห้าจำแนกไปโดยสภาพของการเสวยเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีกายกับใจหรือมีรูปกับนามอยู่สองอย่างเวทนาบางอย่างเราเสวยทางกายเวทนาบางอย่างเสวยทางใจเวทนาบางอย่างเสวยทั้งทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นท่านจึงบรรัญญัติออกไปเป็นเวทนาห้า เวทนาสามหรือเวทนาหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าเวทนานั้นจึงหมายถึงการเสวยหรือการเสพอารมณ์เป็นประจำเนี่ยที่เราได้เสวยกันอยู่เป็นประจําวันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือจะเป็นโสมนัสโทมนัสเป็นอุเบขาไม่ว่าจะเป็นปกุศลอกุศลหรืออภยากฤิเป็นธรรมชาติของเวทนาทั้งสิน้นและเวทนาเนี่ยมันเสวยอารมณ์อยู่เป็นประจําตลอดเวลา นอกจากสวยอารมณ์แล้วถ้าเราไม่เข้าใจว่านี่เป็นเวทนาแล้วบางทีก็มีอุปาทานคือความยึดถือเข้าไปประกอบพอมีอุปาทานเข้าไปประกอบเราทั้งหลายก็จะยึดมั่นในเวทนายึดทั้งทุกยึดทั้งสุขยึดทั้งอุเบกขาวเวทนาและเมื่อยึดมั่นในเวทนาแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ บุคคลใดก็ตามที่ยังยึดมั่นในเวทนาอยู่บุคคลนั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ได้โดยเหตุนี้แหละเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเวทนานั้นคือธรรมชาติที่สเสวยอารมณ์และความสุขความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี้เรียกว่าเวทนางนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขบางครั้งเห็นแล้วรู้สึกเป็นทุกข์บางครั้งเห็นแล้วก็เฉย ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นอาจเป็นเรื่องของเวทนาเ้าทำหน้าที่เสวย อ, อย่างนี้แล้วมันก็สับเปลี่ยนกันไปเรื่อยในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้วันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งกี่แสนครั้งเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนกันเกิดโดยที่เราเนี่ยตามไม่ทันเพราะเมื่อชีวิตมันจำเจ อ, อยู่แล้วเราก็เลยเห็นว่าเป็นของที่ไม่สำคัญเราไม่เคยติดตามเวทนาเลย ไม่เคยบันทึกประจําวันไปเลยวันนี้มีความสุขกี่ครั้งวันนี้มีความทุกข์กี่ครั้งวันนี้มีความเฉยเฉยกี่ครั้งวันนี้อกุศลเกิดขึ้นกี่ครั้งวันนี้กุศลเกิดกี่ครั้งและอัพญากฤิเกิดกี่ครั้งเราบันทึกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนของสภาวธรรมและก็เกิดรวดเร็วมากความจําเจยอย่างเนี้ยจนกระทั่งเราเห็นว่ามันไม่สําคัญเราไม่รู้เลย บางคนไม่รู้เอาซิดด้วยซ้ําไปที่เป็นดังนี้ก็เนื่องด้วยเหตุที่เราขาดสติเพราะว่าขาดการเจริญสติเมื่อขาดการเจริญสติโมหะก็เข้าครอบงําเมื่อโมหะเข้าครอบงําเดี๋ยวบางครั้งเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้รู้ไม่เท่าทันบางคนหลงนั่งร้องไห้ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีทั้งทั้งที่ไม่รู้เลยวันเนี่ยกําลังสเสวยทุกขเวทนาอยู่หรือโทมนัสเวทนากําลังเกิด บางคนก็มีความสุขจนเพลินจนหลงละเริงไปโดยไม่รู้ว่านี่สักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นบางคนก็เสวยอุเบกขาเวทนาจนเพลิไม่รู้ว่านี่สักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นคือที่นักสอนให้เรารู้ว่าเวทนาแล้วก็สักว่าเป็นเวทนาเท่านั้นเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออุเบกขาเนี่ยมันเป็นแต่เวทนาเท่านั้นเพราะเวทนาเท่านั้นเนี่ยหมายถึงเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป สิ่งใดเป็นเวทนาขันสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเราจะยึดถือตลอดไปให้เที่ยงให้เป็นสุขให้เป็นอัตตาตัวตนนั้นก็ไม่ได้จะบังคับบัญชาก็ไม่ได้เวลาเรามีความสุขเราจะบอกว่าขอให้มีความสุขเช่นนี้ตลอดชีวิตตลอดชาติไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ใครจะมีความสุขตลอดเวลาได้เวทนามันไม่เที่ยงก็ต้องมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ งั้นเราจะมุ่งหมายว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นสุขเป็นอย่างนี้แล้วเป็นสุขเนี่ยมุ่งหมายไม่ได้นั่นเป็นความเข้าใจของคนที่มีโมหะหรือคนข่าวเท่านั้นที่เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นสุขเป็นอย่างนี้แล้วเป็นสุขอย่างบางคนที่ไม่เคยแต่งงานก็บอกแต่งงานแล้วเป็นสุขบางคนที่แต่งงานแล้วแหมอยู่คนเดียวได้เป็นสุขบางคนบอกแมถ้ามีลูกสักคนเลยจะเป็นสุขบางคนบอกแมถ้าไม่มีลูกก็เลยมันเป็นสุข บางคนบอกแม้ถ้าบวชจะได้มันเป็นสุขพระก็บอกแม้ถ้าสึกจะได้มันก็เป็นสุขเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ว่าสุขทุกข์นั่นน่ะมันคืออะไรถ้าเรารู้สค่อย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเราจะไปยึดถือว่ามันจะสุขตลอดไปได้ที่ไหนบางทีเราไปหยิบอานิดนิดหน่อยหน่อยว่ามันเป็นสุขแล้วก็เอาไอ้นิดนิดหน่อยหน่อนั่นแหละ มาใฝ่ฝันว่าแม้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะมันเป็นสุขเลือเกินแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ใช่จะสุขอย่างนี้ได้ตลอดไปแม้แต่ตลอดวันก็ยังไม่ตลอดทดลองกันดูก็ได้ว่าตลอดวันแม้อ า, อ, าอาแค่วันเดียวอย่าเอาเป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีเลยเอาแค่วันเดียว่มันจะสุขได้ไม่ตลอดวันไม่ว่าจะเป็นความสุขอะไรคอยท่านทั้งหลายใคร่ครวญดูแม้แต่ความสุขจากการเสพเบญจา ก, การมาคุณท่าน มีความสุขตลอดวันได้ไหมไม่มีทางที่จะได้ตลอดวันแม้แต่ท่านจะได้ลาบมาให้เสวยลาบตลอดวันให้มีความสุขด้วยลาบตลอดวันมีความสุขด้วยยศฐานมณัสาสตลอดวันมีความสุขด้วยคาสรรเสริญตลอดวันมีความสุขความสะดวกสบายตลอดวันเอาแค่วันเดียวก็แล้วกันเราจะไม่พบเลยว่ามันไม่ตลอดวันนี่บางทีเช้าสุขสายทุกเดี๋ยวางวันเป็นสุขอตอนบ่ายเป็นทุกข์อีกแล้ว ตอนบ่ายเป็นสุขตอนค่ําเป็นทุกข์อีกแล้วตอนค่ําเป็นสุขสว่างเป็นทุกข์อีกแล้วมันจะสับเปลี่ยนก็อยู่อย่างเนี้ยอันเรื่องของเวทนาเนี่ยมันเรื่องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่พูดเนี่ยยังหยาบเหลือเกินแต่โดยสภาวันรำและเอียดอ่อนกว่านี้อีกเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นแหละแล้วความสุขหังนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไม่ว่าเวทนานั้นจะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือทางกาย หรือทางใจที่เราได้กระทบได้สัมผัสจะเป็นตาได้สัมผัสความสวยงามจากการได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมหวนลิ้นได้ลิ้มรสอาหารดีๆตายได้สัมผัสถูกต้องเสียดสีสิ่งที่ตัวเองพอใจจิตได้คิดถึงทำมารมต่างๆที่ตัวเองพอใจมันจะสุขประเดี๋ยวประดาวท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไปอีกไม่สิ้นสุด เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมันไม่วิเศษอะไรเลยมีคำว่าเท่านั้นก็ไอ้แค่นั้นแะแบบที่เราใช้ภาษาช า, บาวบ้านวะก็เห็นแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรได้แค่นั้นแหละภาษาธรรมะก็คือภาษาชาวบ้านเลยแค่นั้นแหละคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยก็คือไอ้แค่นั้นแหละมันก็ไอ้เท่านั้นแหละ เหมือนที่ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าไอ้ไอเท่านั้นแหละมันคืออะไรมันก็คือไอ้คำว่าสัตว์แต่ว่าเป็นเท่านั้นเองมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรขึ้นมาหรือมันไม่ใช่ว่าจเจริญเลิศจนกระทั่งเราเลยต้องไปยึดถือด้วยความงมงายจะต้องมาใฝ่ฝันกันจนกระทั่งเกิดความทุกข์ขึ้นมันก็อแค่นั้นสักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นที่เราจะไปยึดถือว่าเป็นอัตราตัวตนเนี่ยไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เท่าทันในเวทนาด้วยสติสัมปชัญญะนั้นจึงไม่ยึดมั่นในเวทนาใดๆในโลกบุคคลใดที่ไม่ยึดมั่นในเวทนาใดๆในโลกแม้แต่สุขทุกข์และอุเบกขาผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งดวงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะยึดมั่นในเวทนาไม่ได้โลกเนี่เต็มไปด้วยเวทนาชีวิตทั้งชีวิตนี้ก็เต็มไปด้วยเวทนาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูก็ได้ว่ามันเต็มไปด้วยเวทนาหรือไม่ เป็มวุฒิการเสวยอารมณ์หรือไม่ในชีวิตประจําวันเต็มวุฒิการเสวยอารมณ์หรือไม่เรื่องราวนี ah> ้ทั้งนั้นแหละบางคนจะต้องประดิษฐ์ประดอยแต่งตัวไปก็เพื่อจะไปดูหนังมันก็้แค่เวทนาเท่านั้นแหละบางคนจะต้องฟังเสียงเพลงมันก็ไ้เรื่องเวทนาเท่านั้นแหละบางคนจะต้องได้กลิ่นหอมๆได้น้ําอบหอมๆมาปราบปรมมันก็แค่เวทนาจะกินอาหารอร่อยๆมันก็เวทนาอีก จะสัมผัสถูกต้องสิ่งที่ตัเองต้องการมันก็เวทนาจะนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็เวทนาแล้วเราก็ยุ่งกันด้วยเวทนาทั้งนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็อยู่ที่ตรงที่ว่าเพื่อมาเสพเพื่อเสวย อ, อารมณ์อันนั้นอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วมันก็วุ่นวายกันทั่วโลกก็เพราะเหตุนี้นั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจสวรรค์ น, นิสสัต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องไปยึดถือหรือใฝ่ฝันจนเกินไป ให้เข้าใจวันเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็จะไปยึดถือมันว่ามันเป็นตัวตนหรือเป็นของเที่ยงแท้ถาวรความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดถ้ายึดถือแล้วก็เกิดทุกข์พระพุทธองค์ท่านสอนให้เราทราบโดยละเอียดว่าเนี่ยเรียกว่าเวทนาเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานข้อแรกคือกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณากายก็คือพิจารณารูปะขันนี่แหละข้อสองเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็สอนได้ใช้สติพิจารณาเวทนาขันนี้ข้อสามจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือให้ใช้สติพิจารณาจิตข้อสี่ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือให้พิจารณาถึงจิตและเจตสิกอยู่แค่เนี้ย ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องที่เราจะต้องใช้สติพิจารณาในเรื่องชีวิตที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาเรื่องสติปัฏฐานก็คือเรื่องในตัวเราทั้งนั้นเรื่องที่เราจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาตัวเราเนทุกๆขกณะจิตอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองถ้าเรารู้ทันว่าอะไรเป็นอะไรเห็นทั้งความเกิดแในความดับว่าเป็นของธรรมดาแล้วเราถอนอุปาทานได้นั่นแหละเราจึงจะหลุดพ้นจาก อุปาทานคือความยึดมั่นในเบญจขันธ์นี้ได้เมื่อทําทั้งหลายหลุดพ้นแล้วท่านก็ไม่ยึดถืออะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดถือแล้วท่านก็พ้นทุกข์ทั้งตัวนั่นแหละคือนิพพานเป็นมุตติอนารโยคคือหลุดพ้นแล้วไม่มีความอะไรอาวรณ์อะไรทั้งหมดแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์กันอีกเพราะว่าเราได้รู้ความจริงแล้วก็หมดความอะไรอาวรณ์ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้น จุดใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เยะฉะนั้นคำว่าเวทนานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรพิจารณาว่ามันคืออะไรถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเท่านั้นเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรมาก <c oughs> ขั้นที่สามคือสัญญาสัญญานี้แปลว่าความจำจำอะไรระสกจำรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมสิ่งใดที่เราได้รับรู้ทางอายสนะเนี่ยเราจาสิ่งนั้นได้ สิ่งนั้นแหละเรียกว่าเวทนาอะเรียกว่าสัญญาหมายถึงความจําอารมณ์จำเอาอันนี้รูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นอันนี้รสอันนี้สมัมผัสนี้ทันมารมณอันนี้สีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนี้เป็นไอ้นั่นไอ้นี่น่าเป็นเรื่องของสัญญาที่เราจำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยสัญญาสัญญานั้นกษักตริย์จะว่าเป็นขันที่ว่ากษัตริย์จะว่าเป็นขันเพราะว่ามันตกอยู่ในฐานะเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเหมือนกับรูปและเวทนาขันเหมือนกันสังขารหมายถึงธรรมชาติที่ปรุงแต่งธรรมชาติที่ไปปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่วคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเนี่ยด้วยสังขารที่ไปปรุงแต่งสังขารนี้ก็คือเจตสิกอีกห้าสิบดวงที่เหลือ และ50ดวงเนี่ยทาหน้าที่กันคนละหน้าที่หลายๆสภาวะเพราะว่าเจตสิกมีอยู่52ดวงเป็นเวทนาขันเจนหนึ่งดวงเป็นสัญญาขันเจนหนึ่งดวงอีก50ดวงเนี่ยเป็นสังขารขันถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันเป็นสังขารขันอย่างไรแล้วก็ให้ฟังศึกษาพิธามไว้มากๆ ก, ก, ก็จะรู้ มาคือบรรยายมาถึงเจตสิกแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บรรยายต่อมาหลายเดือนแล้วตั้งใจว่าเข้าบรรษานี่จะต้องบำเพ็ญกุศลด้การบรรยายอภิธรรมกันอีกสักทีหนึ่ง mm hmm. ก็พยายามมาลหลายวันตั้งแต่เข้าบรรษามาเนี่ยยังยังยังไม่ได้สักทีเมื่อคืนนี่ตั้งใจจะอัดเทป mm hmm. ก็เทปปูนเพลินไปถึงที่หนึ่ง mm hmm. พอเลิกจากการทํางานก็เทียสแล้ว ก็เลยต้องจําวัดต่อและก็เลยไม่ได้อัดตั้งใจว่าจะอัดอภิธรรมนำสุขต่อจากที่บรรยายตกค้างไว้ทีนี้งานมันมีติดพันกันอยู่ก็เลยทำให้การบรรยายเนี่ยบกพร่องไปอาตมามาอยู่นี่ก็มายืนบรรยายหรอกแต่อยู่วิทยาลัยเป็นกรรมกรเป็นกรรมกรต่อสร้างเป็นกรรมกรทำให้โน่นในนี่ แล้วก็พระเนทุกองค์ก็เป็นกรรมกรเหมือนกันต้องทํางานกันเพราะฉะนั้นเวลาถึงคืนตั้งใจว่าจะอัดเทพตอนนี้ก็ยังอัดไม่ได้เพราะว่ากําลังเร่งงานเพราะว่าโครงสร้างที่วิทยาลัยเนี่ยถ้าเริ่มสร้างอะไรแล้วต้องทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จแล้วเสียเช่นผูกเหล็กแล้วต้องเทคอนกรีตให้เสร็จเลยถ้าคืนทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเป็นสนิมเพราะมันใกล้ทะเลความเค็มเกิดขึ้นก็จะเป็นสนิมงั้นพอจับ พอเทฐานราศอคารใดอาคารหนึาา่งก็ต้องบุกกันจนเสร็จตั้งกลางวันและกลางคืนทํากันไปเรื่อยเมื่อคืนนี้ก็เทกันถึงตีหนึ่งบางคืนก็ตีสามเนี่ยทำตั้งแตีโมงเย็นเดี๋ยถึงตีสามนเนก็เปลี่ยนกันเป็นชุดๆพอชุดนี้เหนื่อยชุดใหม่ขึ้นมาเราทํามาอยู่อย่างเนี้ยพอเดิกจักเรียนก็ลงมือทํางานเดิกจักเรียนก็ลงมือทํางาน โยมบอกว่าได้ยินข่าวว่าทำงานดึกๆและเป็นห่วงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหลวงนายกพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรีบอกวันนี้ขอมาดูตัวหน่อยเถอะเป็นห่วงเหลือเกินพอเห็นแล้วบอกว่าแหมสบายใจยังล่ำสันดีวยังไม่เห็นสุดบอกพี่โยมไม่ต้องห่วงลรวคนทำงานหนักๆนี่อย่าไปห่วงถ้าอาตมาไม่ได้ทางานนะ่กควรเป็นห่วงเป็นห่วงที่ ที่นั่งกินนอนกินเฉยเฉยคนนั้นน่าเป็นห่วงเพราะไม่ช้าโรคกินแล้วคนทํางานไม่เป็นโรคก็ไม่ต้องห่วงอ่ะแข็งแรงพระเนมทํางานอย่ไปห่วงว่าแม้ท่านทํางานหนักฉันสองมือสองมื้อเนี่ยพอดีแล้วอาหารประจําวันถ้าได้ทํางานด้วยยิ่งแข็งแรงโยมไปดูเนมที่วิทยาลัยก็ได้อ้วนอกตานทุกองค์องคเล็กๆเนี่ยทํางานแข็งทุกองค์แกรง เพราะะไรเพว่าออกกำลังตลอดเวลาไม่ไม่ใช่อรชนอ่อนแอ่ไปดูแต่บึกบืนทุกองอะแล้วผิวเนี่ยเป็นเนื้อสมบิษตั้งนั้นเราจะแตกตาแบดบตาแบบแบบกลม <c oughs> นั่นนะ่อย่างงั้นนาะยโยไม่ต้องไปห่วงหรอกชีวิตอย่างงั้นนะแข็งแกร่งดีถ้าไม่ฝึกจะแม้แล้วต่อไปจะเป็นคนอ่อนแอและคนสุดท้ายก็อ่อนแอหมดทุกอย่างคนอ่อนแอทำอะไรไม่ได้กาลังใจอ่อนก็ทาอะไรไม่ได้ กำลังกายอ่อนก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งปัจจุบันนี้ได้ต้องแข็งแกร่งตั้งกายและใจทุกด้านมิฉะนั้นแล้วจะจะทำงานอะไรไม่ได้งั้นเราจะเห็นได้ว่าคนทํางานไปแล้วหักกลางทันไม่ชีวิตต้องพิกลพิการไปก็ต้องทิ้งงานทิ้งการเพราะมันทนต่ออารมณ์ที่มากระทบเนี่ยไม่ไหว ทนแตอุปสรรคไม่ไหวอย่างอาตมานิธาอายุมากๆไปทํางานอย่างนี้ไม่ได้หรอกสร้างวิทยาลัย ไ, ไม่ได้ไปบอกแม้ทําไมหนุ่มๆทางานได้มากมาอย่างนี้บอกโอถ้าแก่ทําไม่ได้หรอกถาแก่แล้วก็ชาพนกิจตกไปนานแล้วแต่นี่หนุ่มๆถึงจะทําได้เพราะนอกจากงานหนักแล้วมันยังหนักอีกหลายๆอย่างที่มันหนักซึ่งถ้าหากว่าเราไม่แข่งเราก็แบกภาระไม่ได้มันหนักทุกๆด้านนะ่ะ งั้นโยไม่ต้องห่วงว่าทํางานเป็นกรรมกรแล้วจะจะเจ็บจะไข้ถ้าไม่ได้ทําตีจะเจ็บจะไข้ถ้ายังมีโอกาสทำํำเราก็ไม่เจ็บไม่ไข้หรอกเนี่ยเราเรามีโอกาสทํางานกันแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงงั้นคนที่ทํางานเบาๆยังต้องหางานหนักๆทายังต้องไปตีคอปยังจะต้องไปอะไรต่ออะไร ซึ่งประโยชน์มันก็น้อยกว่าตีก๊อปประโยชน์น้อยกว่าน้อยกว่าเราทํางานตั้งแยะเราทํางานเหลือออกได้ออกกําลังมากและกําลังมันก็เกิดขึ้นชดเชยต่อไปกําลังเลยยิ่งใช้มันยิ่งมากยิ่งไม่ใช่มันยิ่งสูญหายงั้นคนใช้กําลังมากก็ยิ่งแข็งแรงมากคนใช้กําลังน้อยอ่อนแอเนี่ยเพราะฉะนั้นพอไปจับงานเข้า มันก็เพลินแล้วก็ลืมงั้นรายการอภิธรรมนำสุขเนี่ยขาดมาหลายเดือนแล้วแล้วก็หลายท่านมาเตือนอยู่เรื่อยบอกเมื่อไหร่จะมีใหม่ๆสัก ท, ทีหนึง่งแม้แต่รายการสบายใจก็เห็นเปิดซ้ําๆซักๆนะ่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สถานีบอกแล้วเปิดแล้วก็กลุ่มใจ <c oughs> ไม่สบายใจหรอกบอกยิ่งกลุ่มใจหนักขึ้นเพราะว่าไม่เห็นมีอัดให้ใหม่หหหหห ๆ, ๆเลยว่างั้นตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยอัตมาก็บอกว่าเฮ้ยเราจะอัดให้จะบันทึกให้ <c oughs> เนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับงานมันไม่เสร็จแล้วก็กังวลกังวลหลายๆด้านก็เลยต้องต้องทำงานให้เสร็จเพราะฉะนั้นเรื่อง เ, ออเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของเจตสิกก็ดีในเรื่องของจิตก็ ด, กดีถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจแล้วเราจะรู้จักขันห้า ถ้าไม่รู้เรื่องอภิธรรมแล้วแม้แต่ขันห้าท่านก็ไม่รู้จักจึงควรที่จะได้สนใจศึกษาค้นกว้ากันให้มากจากการอาร่านบ้างก็ได้จากการฟังบ้างก็ได้แล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเองคนที่เข้าใจอภิธรรมเนี่ยเป็นคนมีโชคดีเพราะว่าเป็นบุญญาลาภอันหนึ่งที่ได้เข้าใจในสภาวะของชีวิต ทำไม่เข้าใจอภิธรรมแล้วก็เหมือนกับไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาแม้แต่จะเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาก็เข้าไม่ถึงถ้าไม่รู้อภิธรรมกานทรามทั้งหลายควรที่จะได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องวิญญาณขันนั้นวิญญาณเนี่ยก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างเรารู้รูปตาเห็นรูปเนี่ยเราเรารู้ว่า น, นี่เป็นรูป หูได้ยินเสียงเราร่วนี่เป็นเสียงจมูกดมกลิ่นรั่ว่านี่เป็นกลิ่นนี่เป็นรสนี่เป็นสัมผัสนี่เป็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนี่เป็นธรรมารมทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รวมเรียกว่าวิญญา ณ, ว, ญญาณาวิญญาณนัขันวิญญาณเนีแปลว่าความรู้อารมณ์ไม่ใช่ถึงไม่ใช่หมายถึงพูดผีปีศาจหรือสิ่งลี้ลับดังที่เราเข้าใจกัน บางคนเถียงว่าวิญญาณมีจริงเหรอไม่มีจริงแล้วคุณจะพูดได้เหรอเพราะคุณพูดได้เนี่ยโดยเพราะคุณมีวิญญาณประหากอะ่ะเดี๋ยวบางคนถามด้วยความไม่รู้วิญญาณมีจริงเหรอแท้ที่จริงแล้ววิญญาณคือความรู้อารมณ์ที่เรารู้กันอยู่เนี่แหละคือวิญญาณเราทุกคนมีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรแต่วิญญาณเนี่ยก็คือจิตนั่นเองท่านจําแนกออกไปเป็น อาคุสลวิญญาณเป็นกุศุลวิญญาณเป็นวิปากวิญญาณเป็นกริยาวิญญาณหรือเป็นอภยากต ะ, ะวิญญาณท่านจำแนกออกไปโดยละเอียดเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรเป็นโลกุตระนี่ความละเอียดอยู่ในอภิธรรมอิดกเพราะฉะนั้นในเบนจะขันเนี่ยคือขันห้านี้ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาโดยละเอียดทีทั่วแล้ว เราก็จะรู้จักตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นว่าตัวเราเนี่ยคือใครเมื่อรู้ว่าตัวเราเองคือใครแล้วการที่จะเพาะปลูกปัญญาให้เกิดเนี่ยมันก็ไม่ยากคนที่ไม่รู้จักตัวเองนั้นจะเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเนี่ยไม่ได้งั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่เราจะเรียนสูงแค่ไหนก็าตามบางทีก็ทำอะไรไปตามภาษาคนงงงงบางคน เรียนข้ามน้ำข้ามทะเลได้ปริญญาโทรปริญญาเอกมาบางทีก็ไม่ฉลาดเลยในเรื่องชีวิตเมื่อไม่ฉลาดในเรื่องชีวิตแล้วก็วาอาจจะทำอะไรด้วยความโง่เขลาความรู้เท่าไม่ถึงการได้เนี่ยความรู้ที่เป็นโลกียะปัญญาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรเพิ่มพูนปัญญาทางทำให้มากเราจะได้ช่วยชีวิตของเราได้จะได้รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรบ้าง ประการแรกที่สุดที่เราจ ะ, ะได้ปัญญามาอย่างไรนียก็ต้องศึกษาในขันทนิเทศให้พิจารณาถึงขันห้าในการพิจารณาขันห้านั้นศึกษาในด้านของปริยัติก็คือเข้าใจว่านี่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักชื่อรู้จักสภาวะวันนี้คืออะไรแต่การที่จะให้เกิดปัญญาจากการพิจารณาขันนั้นจะต้องอาศัยการกาหนดขันเป็นอารมณ์ ด้วยการเจริญวิปัสนาหรือเจริญสติปัฏฐานหรือ ว, ว่าการเจริญสติปัฏฐานก็ดีหรือวิปัสนากดีก็คือกำหนดขันห้านั่นเองเป็นอารมณ์ไม่ใช่กำหนดอะไรกำหนดขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์เมื่อเรากำหนดขันห้าเป็นอารมณ์แล้วเราเห็นขันห้าตามความเป็นจริงเห็นสภาวะของเป็นเจขันตามความเป็นจริงคือขันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้บังคับบัญชามันไม่ได้ เป็นไปตามสภาพของขันตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นวิธีที่จะกําหนดพิจารณาขันห้าทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าการที่จะไปกําหนดขันห้าเนี่ยกําหนดที่ตรงไหนถึงจะถูกขันห้าเพราะว่าขันห้านี้มีอยู่สองประเภทขันห้าที่จะเป็นอารมณ์ให้กําหนดนั้นนะ่ะเรียกว่าอุปาทานขัน ขันห้าที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นกําหนดไม่ได้เช่นขันห้าของพระอรหันต์เนี่ยจะมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้แต่ขันที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้นั้นคืออุปาทานขันได้แก่ขันที่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือเราจะพิจารณาขันก็ต้องพิจารณาขันประเภทเนี้ทีนี้จะกําหนดตรงไหนเราถึงจะถูกขันห้าข้อ น, นี้จะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าขันห้าเกิดที่ไหน ขันห้ามันก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการกำหนดขันห้าคือกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปกาหนดที่ไหนตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นนั่นะคือกำหนดขันห้าอย่าไปยึดถือว่าเนี่ยเป็นรูปงามหรือไม่งามมันเป็นอะไรอย่าไปยึดถือว่าอันนี้เป็นนิมิตอันนี้เป็นอนุพยัญชนะอย่าไปยึดถือในนิมิตอนุพยัญชนะเรามีสติรู้เท่าทันในระหว่างตา หูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อารมณ์นั่นแหละคือการกําหนดขันห้าวิธีกําหนดขันห้าก็อยู่ที่ตรงเนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในปัญญานิเทศนี้โดยเฉพาะจะต้องอาศัยขันในขันท่านทิเฐศเนี่ยเราก็ต้องกําหนดขันห้าที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและองกําหนดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติสัมปชัญญะทุกๆขณะที่เราเห็นที่เราได้ยิน ที่เรารู้กลิ่นลิมล้มรสสัมผัสถูกต้องนึกคิดในเรื่องราวต่างๆต้องมีสติกำกับถ้ามีสติกำกับแล้วก็จะไม่ถูกโมหะเข้าครอบงำและจะไม่ผิดพลาดในอะไรทั้งหมดถ้าท่านขาดสติแล้วอาจจะทำอะไรผิดความผิดนั้นอาจจะร้ายแรงอาจจะเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนได้เพราะขาดสติถ้าเราฝึกอยู่เสมอแลวเรามีสติ อกุศลเกิดก็รู้ว่านี่มันไม่ดีโลภะเกิดก็รู้ว่านี่เป็นโลภะโทสะเกิดก็รู้ว่านี่เป็นโทสะโมหะเกิดก็รู้ว่านี่เป็นโมหะอกุศลอะไรเกิดก็รู้ว่านี่เป็นอกุศลเนี่ยเพียงแค่เนี้ยเราก็ไม่ผิดพลาดเพราะว่าสติสัมปชัญญะ น, น, นั้นจะทําหน้าที่เป็นผู้คอยประครับประคองเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยประครับประคองอยู่มิให้เราทําอะไรผิดพลาดลงไปท่านทั้งหลายที่จะเพาะปลูก ป, ปัญญาด้วยการพิจารณาขนัน ก็ต้องจเจริญสติปัฏฐานหรือใช้สติของท่านกําหนดเป็นจะขันเนี่ยและท่านจะรู้จักขันห้าและก็จะเห็นขันห้าตามความเป็นจริงอนี่เป็นในขันทินิเทศที่นํามาบรรยายในวันนี้ยังเหลืออายตนะนิเทศแล้วก็ทาตุนิเทศอินทริยานิเทศสัจนะนิเทศปฏิจจสมุ ป, ปบาทนิเทศซึ่งก็เป็นเรื่อง ที่น่าศึกษาอยู่แต่ก็คงจะไม่พ้นไปจากเบญจขันธ์นี้กล่าวรายละเอียดก็เป็นเป็นอาจตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นสัจจะเป็นปฏิจจสมุปบาทแต่สรุปรวมแล้วก็อยู่ในเบญจขันธ์นี่แหละแต่ว่ามันเป็นเบญจขันธ์อย่างไรมันไปเป็นอินทรีย์เป็นธาตุเป็นสัจจะอย่างไรเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างไรจะได้นำมาบรรยายท่านทั้งหลายได้ทราบ และเราจึงจะได้ศึกษาถึงความบริสุทธิ์ในด้านสีวิสุท ธ, ธิจิตวิสุท ธ, ธิหรือศึกษาในวิสุท ธ, ธิเจดซึ่งจะเป็นการศึกษาเพื่อไปสู่คำนิยามที่ว่าการเจริญปัญญานั้นเราจะได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งเราจะเห็นประโยชน์ก็เมื่อตอนสรุปประโยชน์อยู่ที่ตรงนี้เองการมีปัญญามีประโยชน์อย่างนี้คิดว่าในปนัญญาลิเทศเนี่ย คงจะต้องใช้เวลาการบรรยายนานกว่าสมาธินิเทศเพราะมีเรื่องที่น่าศึกษาทั้งนั้นยิ่งเป็นเรื่องของปัญญาไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินอยู่น่าศึกษาอยู่มากสำหรับการบรรยายในวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วตมาขอยุติไว้เพียงแค่นี้ศึกษาที่เป็นผลมาจากสมาธิจิตดังที่ได้เปิดไว้เ่อตอนบรรยายจบมาสม า, สมาทิตมาแล้ว ว่าเราจะได้ศึกษาถึงเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิหรือจากการเจริญกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านที่เป็น